ผู้หญิงไม่ค่อยมีที่ภาวนาหายากหลวงพ่อเสด็จใดที่เขาสวนหลวงที่เขาสวนหลวงทำไมท่านกอนะท่านกอเขาวสวนหลวงในธรร ม, มท่านเฉียบขาดมากเลยเป็นผู้หญิงที่พระกราบได้แต่ไปกราบจริงๆก็ไม่ได้นะ <c oughs> เอาแค่ว่าอยากกราบ พอท่านไม่อยู่แล้วมันก็พ่อยเสือเส่อมลงเสื่อมลงเดี๋ยวนี้มีหลายก๊กไม่รู้ถึงสามก๊กม่าแต่ก็แต่ว่าก๊กที่เก่งที่สุดเลยชนะเลิศเลยคือลิงสามารถต้อนเอาพวกผู้หญิงนะเข้าไปอยู่ในกรงได้แต่และกุติต้องทำกรงขังตัวเองไว้ข้างในแล้วก็ต้องเลี้ยงจระเข้ มีจระเข้ลิงกลัวจระเข้ทุ ก, กุตินะมีจระเข้จระเข้ผ้าทําด้วยผ้าลิงก็เก่งทุกอย่างเลยแต่กลัวจระเข้ผ้าไม่รู้เป็นทําไมทุ๊กตาอย่างอื่นไม่กลัวนนี้เพราะคนไม่รู้จักธรรมชาติของลิงลิงแต่ก่อนเขาพึ่งตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง เราไปอยู่กับธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมชาตินะไปแสดงความเมตตาปราณีเอาอาหารไปให้มันลิงก็เลยไม่พึ่งตัวเองหันมาพึ่งมนุษย์ขอดีๆไม่ให้ก็ข่มขู่เอาคนนี้ยิ่งลาบากเนื่อสัตว์ป่าเนี่ยกขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์บางที่ถึงก็เตือนว่าอย่าไปให้อาหารฟังแล้วเหมือนโหดร้ายนะแต่มันทำลายระบบนิเวศอย่างลิง เขาใหญ่มันอยู่บนต้นไม้มันกินผลไม้พวกนี้กินทิ้งกินกว้างกินแล้วจะทิ้งลูกลงกินนิดหน่อยก็ทิ้งลงมันสัตว์อื่นๆพวกกวางพวกอะไรได้กินต่อลิงแต่ก่อนเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้คนไปทำเย็นลิงกลายเป็นผู้ขอลิงกลายเป็นพิกขุผูเขางั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะ มันเข้าใจเลยมนแ้วก็มีความสุขธรรมชาติภายนอกก็ต้องเข้าใจมันอยู่กับมันธรรมชาติภายในยิ่งต้องเข้าใจมากๆเลยธรรมชาติภายนอกยังพอหลบหลีกอย่างเราทําลายต้นไม้ไปหมดเลยอากาศร้อนนะอุตส่าห์ไปสร้างห้องแอร์ก็พออยู่ได้บางที่ไปสร้างห้องใต้ดินมีหน้านะที่สเสถียรธรรมสถานที่สเสถียรธรรมสถานเนี่ยแม่ชีสรนสเนีย ทำอุโมงไว้ข้างในอยู่ใต้ดินที่นั่นมันแคบคนเข้าไปทีหนึ่งหลายร้อยเพ่นผ้านไนหมดเลยไม่มีที่จะซ่อนตัวเลยลงไปอยู่ใต้ดิน <c oughs> น่าสงสารนะ <c oughs> ข้างนอกนี่พอหลบหลีกได้ข้างในความทุกข์แนบไปกับกายแนบไปกับจิตตลอดเวลาหนีไม่ได้หนีไม่ได้ต้องเรียนรู้มันไป เพรเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราก็มีกายไปด้วยเอาจิตไปด้วยกายเป็นทุกข์มากๆอย่างพอหนีนะอย่างคนไม่สบายมากร่างกายเป็นทุกข์มากอยากตายทิ้งร่างกายนี้ไปหวังว่าจะมีความสุขเอาจิตไปด้วยนี่จิตนี่เป็นของที่จริงไม่ได้ทํายังไงมันก็มีจิตบางพวกก็ไปฝึกสมาธิชนิดหนึ่งเรียกว่าอสัญญสัตตาลมลุกฟักดับจิตลงไป มันก็ดับในชว่วงครั้งชว่วงคราวเนี่ยมันก็มีขึ้นมาอีกอย่างหลายคนนั่งสมาธิรวมลงไปหมดความรู้สึกตัวไปเจวันไม่มีความรู้สึกนะึกคิดเลยอยู่ได้เจ็วันบางคนไปเรียกว่าเข้าผลสมบัติพระราสมบัติพระาสมบัติไม่ได้ว่าไม่มีจิตพระราสมบัติเนะี่ยมีจิตจำนวนมหาศาลเลยคือโพลจิตโพลจิตชนิดเดียวกับตอนที่เกิด โสดาปฏิผลสกิทาคามีผลอน า, นาคามีผลอรหัตตผลนั่นเองผลจิตเกิดขึ้นจำนวนมากมายไม่ใช่แปลว่าไม่มีจิตนี่บางคนฝึกเป็นจิตดับลงไปเป็นพรหมลูกฟักมันก็ดับชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมารู้สึกใหม่รู้สึกอีกก็ทุกข์อีกนะพอมีจิตมีใจสูงว่าทิ้งกายไปหมดแล้วเหลือจิตอันเดียวจิตมันเหมือนมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้นะ อย่างลงไปในภพภูมิใดมันก็สร้างรูปสร้างนามขึ้นมาได้อีกมันก็งอกงามขึ้นมาได้อีกไม่หายไปไม่หมดไปงั้นเราภาวนาไม่ใช่เพื่อจะดับจิตเฉยๆหรอกแล้วจิตมันเป็นทุกข์ดับมันไม่ได้ด้วยถ้าดับได้ตามใจจิตก็เป็นอัตตานี่จิตเป็นอนัตตาดับมันไม่ได้ตามใจชอบถึงจะเข้าสมบบาบัติได้ก็ดับได้ชั่วครั้งชั่วคราวหมดกาลังของสมาธิ ก็เสื่อมถอยออกมาออกมาเกิดจิตที่รับรู้อารมณ์อีกก็จะทุกไปอีกทุกไปเรื่อยไปไปพ้นพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้หนีเพราะหนีไม่ได้ไปไหนก็มีจิตไปด้วยท่านสอนให้รู้ลงไปรู้จนไม่ยึดถือถ้ารู้โดยไม่ยึดถือเนี่ยจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะไปยึดถือไว้ เพราเราภาวนาจะหมดความยึดถือได้ก็ต้องเห็นความจริงนะมันมีแต่ทุกข์ล้วนล้วนจิตใจไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษพอเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆ้วนก็หมดความยึดถือไปคราวนี้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนไม่มีแลไม่ทุกข์ร้อนเหมือนอย่างบางคนนะยกตัวอย่างง่ายๆบางคนกลัวงูเคยมีนักภาวนา จริงๆใครๆก็กลัวนะงูไม่มีใครนิยมชมชอบเท่าไรหรอกนี่น้อยรายจชอบงูงูเข้ามาอยู่ในใต้ถุนกุติอะไรเงี้ยไม่มีความสุขแต่ถ้ายอมรับได้ลนะ้ว่างูมันต้องอยู่ตรงนี้ต่างคนต่างอยู่นะมีงูก็เหมือนไม่มีนี่เมื่อก่อนมีลูกงูเห่าตัวหนึ่งแค่นี้อยู่ใต้กุติไม่ฉีด น, นัดที่สวนโพนะ อยู่จนยาวเป็นเม็ดเม็ดเลยก็เชื os, mm ่ hmm. องนะเชื่อง <Theatre> ไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันได้อย่าไปเหยียบนะต้องมีสติเราไว้ฝึกสตินัใจเรายอมรับกันได้นะก็ไม่ทุกข์ใช่ใจเรายอมรับเมื่ขันห้ามันต้องมีอยู่กายนี้ต้องมีอยู่จิตนี้ต้องมีอยู่เราก็ okay, ไม่ทุกข์เท่าไหร่งูนั้นน่ารักมากเลยตัวนี้ดำาหูเกร็ดมันเวลาถูกแสงอาทิตย์นะยังกระนินเนะ สวยดำครับเลยวาววับเลยเป็นสีรุ้งเหลือบๆด้วยสวย <S <S เราอยู่ใกล้ๆไหนะจะมาหากบหาเขียดอ ะ, ะมุดรูนะมุดลงไปขึ้นมาเป็นปาตัวนี้อะไรอยางี้อยู่ใกล้ๆห่างนี้นิดหน่อยๆน่อยนะ <S <S ๆๆเขาก็ไม่ว่าเรานะเราก็ไม่ว่าต่างคนต่างอยู่ได้ไม่กระทบกระทั่งมีกตัวหนึ่งไม่รู้มาจากไหนหลวงพ่อวันหนึ่งมันมาข้างทางเดินเรา ไม่ทันเห็นนะธรรมดาตรงนั้นมันไม่ค่อยมาอยู่เดินลงจากกุฏิจะรีบมาศาลาตอนเช้าโยมมาแยะแล้วแม้ขาเราไปห่างกว่าหัวมันแค่นั้นเนี่ยนเดินผ่านไปก่อนเอ๊ใครเอาอะไรดำดมาทิ้งใครเอาแฉลงมาทิ้งไว้ตรงนี้ฉันไปดูโอ้งูเห่าทำหัวแบนๆ น, นะตัวแข็งทื่อเลย ตัวแข็งชื่อตัวตรงเป็นท่อนไม้ทื่อๆ อ, อยู่อ๋อมันไม่กระดุกกระดิกเลยถ้าเราเดินไปห่างๆแล้วไม่ค่อยัวหัวขึ้นมาได้นะโอ้อยังดีนะมีคนเหยียบไม่ให้ <c oughs> แต่เราไม่ต้องไปเหยียบเองเนี่ยถ้าใจเรายอมรับนะไม่ว่าอะไรอะถ้าใจเรายอมรับได้ไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันเนี่ยจะอยู่ได้อย่างบางคนอยู่ในที่เสียงดังเสียงดังๆใจลาคานนะหงุดหงิด ถ้าใจยอมรับได้อยู่ก็อยู่ไปใจก็ยอมรับได้ไม่หงุดหงิดหรือเราอยู่กับคนนี้เราไม่ชอบหน้ามันอยู่ในที่ทํางานเราเกลียดอีกคนนี้ที่สุดเลยถ้าวันไหนใจเรายอมรับได้แล้วมันต้องอยู่มันต้องอยู่ด้วยกันยอมรับได้มันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ธาตุขันนี้เหมือนกันอะภาวนาไปจนเห็นความจริงเลยมันทุกข์ล้วนๆก็จริงนะแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ได้ไม่กระทบกระทั่งกันได้เราเริ่มฝึกค่อยๆเห็นต่างคนต่างอยู่ อย่างพอใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นในร่างกายต่างคนต่างอยู่กับจิตพวกเราหลายคนเป็นร้อยๆแล้วเป็นพันละที่ดูได้ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่กระทบกระทั่งกันโคลานกันนะเวทนากับจิตก็โคลานกันนี่ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่กระทบกระทั่งเข้าถึงจิตอยู่ด้วยกันได้คลนะ้ายๆว่ามันอยู่ด้วยกันเลยที่ไม่ก้าวไก่กัน สังขารขันคือความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงกลางกลางเกิดขึ้นและใจยอมรับได้ใจเป็นกลางอยู่กับมันได้อย่างเราเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนดูอยู่ความโกรธไม่ใช่จิตนะความโกรธไม่ใช่เราเนี่ยเห็นอย่างนี้ความโกรธอยู่ส่วนความโกรธสิจิตอยู่ส่วนจิตร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตเวทนาอยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตนี่ต่างคนต่างอยู่ต่อไปแล้วจิตเหรอจิตจะอยู่ยังไง จิตกับสิ่งอื่นๆนี่ต่างคนต่างอยู่ได้แล้วเหลือแต่จิตอันเดียวเนี่ยจิตจะต่างคนต่างอยู่กับจิตได้ไหมไม่ได้จิตจะต่างคนต่างอยู่กับจิตไม่ได้เพราะมันเป็นตัวจิตจะเหมือนอย่างไฟมันร้อนเนี่ยให้มันมีคุณสมบัติไม่ร้อนไม่ได้มันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ยึดถือได้นะกว่าจะไม่ยึดถือเนี่ยภาวนาสาหัสกันเลยแบบเอาชีวิตเข้าแรกถึงจะทําได้ ถ้าทำเหยาะเะใหญ่ๆนะไม่ได้หรอกพอเห็นได้ว่าอันอื่นๆไม่ใช่จิตนะและ Actually, ้วก็เห็นได้ว่าจิตไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เราเห็นได้แต่ยังยึดอยู่ว่าจะหมดความยึดจิตนี่ยากที่สุดเลยลําพังการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยการเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดการไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการไม่ยึดถือจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดรู้สึกเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราการจะหมดความยึดถืออัตาตัวตนเลยไม่ใช่เรื่องง่ายถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้โสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระนักขานะั้นก็ยังยึดจิตอยู่ต่อเมื่อใจเด็ดจริงๆนะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปจริงเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปตนะ้องเห็นอย่างนี้จริงๆนะเห็นแล้วใจยอมรับได้ อยู่กับทุกข์ได้ไหมนี่ถึงขนาดนี้นะอยู่กับทุกข์ได้ไหมถ้าอยู่กับทุกข์ได้นะใจเป็นกลางต่อทุกข์ก็คือใจเป็นกลางต่อขัน น, นั่นเองใจเป็นกลางต่อจิต น, นั่นเอง้าใจเป็นกลางแล้วคั้นี้อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันมีก็เห academy, มือนไม่ ม, ททลลมีมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้ำลึกนี่โลปูมันบอกมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้าลึกมีธาตุขันก็มีอยู่นะ แต่เหมือนไม่มีไม่มีอะไรน้ำหนักในจิตในใจเราแล้วก็ยังมีความไม่มีอีกคือนิพพานนะเห็นไหมคําว่ามีไม่มีนี่เป็นธรรมที่ล้าลึกเว่าหลายชั้นหลายเชิงนะมีอยู่คือขันมีอยู่แต่ก็เหมือนไม่มีนะมีไม่มนะีแล้วก็มีความไม่มีอะไรเลยมีนิพพานหลายชั้นหลายเชิงนะธรรมะ เราก็จะอยู่อยากมีความสุขมีความสุขมากเลยท่าดขันแปรพลันจิตใจก็ยังมีความสุขอยู่เพราะว่ามีก็เหมือนไม่มีเนี่เหมือนบางคนนะบางคนเทียบง่ายๆบางคนแต่งงานนานๆมีสามีก็เหมือนไม่มีนะมีภรรยาก็เหมือนไม่มีวันนี้มแต่งตัวยังไงยังไม่รู้เลยลืมมองเหมือนเป็นโต๊ะตัวหนึ่งในบ้านเก้าอี้ตัวหนึ่งในบ้าน ใครรู้สึกอย่างนั้นมั้งมีไหมเคยไหมสารภาพมา <c oughs> ไม่กล้าบอกถ้ามาสองคนอย่าพูดนะอันตรายถ้ามาคนเดียวก็พอสารภาพได้แล้วจริงๆพออยู่ไปนานนานใช่ม <c oughs> มีก็เหมือนไม่มีละแต่นี่อย่างโลกๆอย่างที่เป็นธรรมก็คือเห็นธาตเห็นขันนี่มีเหมือนไม่มีอยู่ด้วยกันแต่ไม่กระทบกระทั่งกันละตางคนต่างอยู่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไั่ฝึกนะฝึกไป ผมมีความสุขไม่รู้จะบอกว่ายังไงจะสุขที่สุดเลยสุขอย่างโลกโลกหลวงพ่อรู้จักนะหลวงพ่อก็เป็นชาวโลกมาตั้ง48ปีถึงได้บวชความสุขในโลกเป็นยังไงก็รู้จักทั้งนั้นแหละอย่างที่โยมรู้จักพอมาความสุขในธรรมะโอ้เทียบกันไม่ได้หรอกความสุขในโลกมันแขว่งขึ้นแหว่งลงมีได้ก็หายไปได้เกิดได้ก็ดับได้ มันมีความสุขในธรรมะนี่มันไม่เกิดไม่ดับเนี่ยนิพพานมันไม่เกิดไม่ดับแต่ต้องเอาชีวิตเข้าแรกเลยนะเอาชีวิตเข้าแรกนี่ไม่ใช่ว่าไปทรมานร่างกายทรมานร่างกายอะไรอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้หรอกแต่เราภาวนาของเราสบายๆอยู่อย่างนี้นะถึงวันหนึ่งมันเห็นความจริงแล้วมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่อย่างเท้าลงตรงไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นย่างนี้ไม่มีที่หนีไม่มีที่ถอย พอเห็นของอื่นเป็นทุกข์ยังหนีได้ถอยได้พอเห็นจิตเป็นทุกข์เนี่ยไม่มีที่หนีไม่มีที่ถอยเพราะไปที่ไหนจิตก็ไปด้วยคล้ายๆหลังชนกําแพงเลยทุกข์ร้วนๆหนีก็ไม่ได้ต้องเผชิญอยู่อย่างนั้นน่ะใจปฏิเสธใจยิ่งทุกข์มากขึ้นอีกยอมรับไหมยอมรับไหมยอมรับที่จะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ได้ไหมยอมรับได้นะโอหนีไม่ได้แล้วเออช่างมันเถอะจะตายก็ตายจะบ้าก็าบ้ามันรู้สึกขนาดนี้เลยนะ คลาก็อยู่กันต่อไปเนี่ยตามรู้ตามดูจิตที่เป็นตัวทุกข์ต่อไปเนี่ยจิตจะระเบิดลนะเหมือนจิตจะระเบิดเลยความทุกข์มันบีบคั้นรุนแรงจนเหมือนจะระเบิดเปรี้ยงลงมาถ้ารู้เลยถ้าระเบิดนี่นะไม่ตายก็บ้ามีสองช้อยเท่านั้นไม่มีทางที่สมเลยเอายอมจะระเบิดก็ให้ระเบิดตายก็ตายไปนะตามรู้ตามดูไม่ถอยนะตรงนี้แหละบรารมีทุกชนิดที่เคยสะสมเนี่ยขูดมาใช้ได้หมดเลย ทติบารมีนะอดทนอดกลั้นยอมฐานนบารมีสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหมสละกระทั่งชีวิตได้ไหมก็จะตามรู้ความจริงเอาสัจจะเอาความจริงนี่ทานนบารมีไม่ใช่กระจกนะกล้าสละชีวิตไหมเพื่อธรรมะบางคนรู้สึกฐานนบารมีหมูหมูนะทําไมพระเวสสันดรมาลงด้วยบารมีคือฐานนบารมีใช่ไหมมาเต็มตรงธรรมนะบารมีไม่ใช่ของง่ายนะสละกระทั่งตัวเองได้ ก็คือสลามาหน้าตาสลาออกไปได้ไม่ใช่ธรรมดาในขัมมาบา ร, รมีกล้าไหมนในภาวะที่จะแตกหักเนี่ยมานมันจะบอกเรามานคืออภิสังขาะมานจะบอกเราเลิกเถอะถ้าเลิกนะถอยออกมาเป็นพ้านาคาอยู่แล้วอยู่กับโลกมีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิอีกนะเอาความสุขมาหลอกมาลอ่อในขมมาบา ร, รมีไม่เอาความสุขนะ ก้าทิ้งความสุขทุกอย่างได้มีสัจจะไหมมีสัจจะไหมยอมเสียชีวิตเพื่อให้เห็นความจริงมีอธิฐานะบารมีไหมตั้งใจสู้แล้วสู้ไม่ถอยตายก็ตายเห็นไหมมีบารมีนาน า, นาชนิดเลยมีวิริยะไหมจะภาคเพียรต่อไปไหมหรือจะเลิกเลิกนี่ไม่ใช่เลิกธรรมดานะเลิกทั้งชาติเลยถ้าภาวนามาถึงจุดนี้เวลาถ้าเลิกหมายถึงเลิกทั้งชาติแล้ว ไปไปต่อพรหมโลกหน่าสอนอย่างนี้นะเราเป็นมนุษย์เราก็มีความสุขไปเดี๋ยวไปต่อพรหมโลกชาติสุดท้ายแล้วเป็นไรไปนะโอ้โหต้องภาคเพียนต้องไม่ถอยเลยภาคเพียนมีปัญญาไหมมีปัญญารู้เท่าทันกลนุบายของกิเลสนาช า, าชนิดที่หลอกไหมสามารถเจริญสติเจริญปัญญารู้ลงไปอย่างที่เขาเป็นไหมยอมรับไหมยอมรับอริยสัจ ท, ที่ปรากฏเลย โ, โหมันสู้กันนะไม่ไม่เคยเห็นสงครามอะไรที่ดูเดือดเลือดพล่านเหมือนสงครามล้างชาตินี่แหละคือสงครามล้างชาตินะถ้าผ่านสงครามนี้คือไม่เกิดละสงครามล้างชาตินี้ยิ่งกว่าสงครามล้างเผ่าพันธุ์อีกล้างเผ่าพันธุ์นี้ไปมันยังเหลือเผ่าพันธุ์อื่นมันเป็นการต่อสู้ซึ่งถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาอย่างดีเนะี่ยสู้ไม่ได้นันต้องสร้างบารมีนะสร้างไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง ค่อยๆฝึกฝนตัวเราเองบางคนจะเอาแต่ปัญญานะศีลไม่เอาโง่ที่สุดเลยทิ้งศีลนี่ก็คือทิ้งพื้นฐานที่สำคัญไปแล้วหรือทิ้งสมาธิไปถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีคุณธรรมความดีฝ่ายดใีให้ถึงพร้อมนะเอาอะไรไปสู้กับมานในยกสุดท้ายไม่มีทางเลย สู้กับมารเนี่ยในตำราบอกบางทีก็พูดว่าพระพุทธเจ้านะเอาบารมีมาสู้เห็นไหมมีบารมีเป็นทหารของท่านบางทีก็บอกมีโพธิปักคียธรรมคือคุณธรรมความดี37ประการที่สร้างไว้มาเป็นเครื่องมือต่อสู้นั่นเดียวกันนะั่นเองเดียวกันคือความดีทุกชนิดนั่นเองนั่ต้องสร้างให้ครบครบนะก็สู้มัน ต่อสู้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยมันก็คือการต่อสู้ทั้งหมดนี่นะเป้าหมายคือละตัวตนละความยึดถือในตัวตนมีตัวมีตนอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่หมดความยึดถือในตัวในตนนะตัวตนร่างกายขันห้าทุกข์ทุกขของมันสืบเรื่องของมันลนะจิตอยู่ต่างหากเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยคราวนี้สุขแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยนะอัศจริษ์สุขจนเหมือนธาตุขันร่างกายจิตใจมนุษย์นี่รองรับไม่ไหว ตอนที่จะแตกหักเนี่ยมีความทุกข์เหมือนกับว่าจิตใจอยรองรับไม่ได้ร่างกายอย่ารองรับไม่ได้เหมือนจะระเบิดเลยตอนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีความสุขมหาศาลเหมือนร่างกายจิตใจรองรับไม่ได้อีกล่ะดูสิร่างกายจิตใจมนุษย์น่า ก, กระจอกจริงๆรงิมันรองรับธรรมะชั้นสูงก็ไม่ได้นะทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนะเหมือนนีสู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ยังไม่เห็นใครตายนะไม่ต้องกลัวว่าตรรลุ มาผลนิพพานแล้วตายไม่เห็นมีนะมีแต่พวกที่ท่านจะตายอยู่แล้วมีพระองค์หนึ่งหลวงปูมั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปูมั่นเย่างนันแต่ว่าห่างๆภาวนาท่านทําไงก็ไม่จบไม่บรรลุตอนเช้าไปเข้าซ่วมซ่วมหลุมขุดหลุมไหมเอาไม้พลาดปากหลุมไหมหลุมตัวโตๆนะไม้พาดไหมไปนั่ง พระเนี่ยตอนเช้ามีหน้าที่รักษาจีวรรักษาผ้าไตรจะต้องไว้ข้างๆตัวท่านก็เอาสังขติไปด้วยเข้าส้วมทําสังขติตกลงไปในหลุมส้วมสังขติตกลงไปแล้วุยเปื้อนด้วยต้องไปเอาขึ้นมาปีนลงไปในหลุมหูนอนยุบยับเลยหยิบสังขติขึ้นมาก็เปื้นนะลงไปยืนอยู่ในกองอุจจาระ นอนก็เริ่มไต่ขากระดึบ๊บกระดึบ๊บพวกเราทนไหวไหม <c oughs> ยืนอยู่ในส้วมนะแล้วนอนก็เริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆท่านก็จะขยักขยงท่านก็คิดจะขึ้นไปปีนขึ้นไปเสร็จแล้วเปลี่ยนใจให้เราภาวนามาทุกคนทุกแห่งแล้วมันไม่สําเร็จนะลองดูในนี้ดูว่า <c oughs> ดูความขยัแขยัง่ง <c> อ <oughs> ืขึ้นมาแล้วขึ้นมาแลแล้วพอขึ้นมาถึงครึ่งตัวเนี้จิตท่านก็ตัดเลย ท่านก็ไม่กลัวนอนแล้วท่านนี้ท่านก็ขึ้นมามาซักผ้ามาอาบน้ำะอะไรเจ้าวาดมาเห็นดูท่านได้เวลาจะบินทบารแล้วมาซักผ้าแล้วจะไปบินธบารได้ไงไม่รู้จักเวลเวลาต้องรู้นะว่าตอนนี้ควรจะทำการงานอะไรท่านบอกงานของผมเสร็จแล้วงานของผมผมทำเสร็จแล้วผมผานเลยบอกนี่มันอวดอุตริท่านบอกถ้าไม่เชื่อนะเราไปหาหลวงปู่มั่นกันให้หลวงปู่มั่นตัดสิน ก็คงต้องฉันข้าวกันก่อนนะเสร็จแล้วก็เดินสามวันรีบใหญ่เลยรีบเดินรีบเดินไป ห, หาหลวงปู่มั่นวันที่สี่ไปถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเห็นนะหลวงปู่มั่นไล่กลับเลยมาทำไมไม่มีธุระอะไรมาทำไมไกลับไปกลับไปรีบไปเดี๋ยวไม่ทันนะทั้งสมทานทั้งพระองค์นี้ท่านก็ผ่ากันกลับมาสมทานเขานี้นับถือละ หลวงู่มันบอกว่านี่ไม่มีธุระมาทําไมนะรีบกลับก็ลกลับมาถึงวัดนะท่านที่นานแท่านไม่มีภารกิจอะไรเหลืออยู่แล้วไม่ได้มีวาสนาทางจะสั่งสอนใครด้วยเพราะธาตุขัดนี้สมควรแก่เวลาก็นิพานลงวันนั้นนะมรณภาพต้องใช้คําว่ามรณภาพนะเพาไม่มีใครรับรองพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกใบรับรองให้แค่หลกงู่มั่นรับรองเนะี่ไม่ใช่ว่า ทุกคนจะต้องตายเพราะงั้น อ, ร, อรหัตตมรรคไม่ใช่ยาพิษนะไม่ใช่โดนเข้าไปแล้วตายไม่ใช่มันมีความสุขมากจนเหมือนทนไม่ไหวไม่ใช่ทุกมากจนทนไม่ไหวอย่างที่ทผ่านมามันสุขหลวงปู่สุวัลเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านสุขอยู่ปีกว่าเนะี่ยมีความสุขมหาศาลอยู่ปีกว่ากว่านึกถึงขึ้นมานะโอ้โหน้ําตาแทบร่วงเลยนะมันมีความสุขมันร่างกายจิตใจรับไม่ไหวย อยู่ไปปีกว่าๆแล้วมันค่อยค่อยราบเรียบขึ้ น, นเป็นความสุขที่ธาตุขันเริ่มคุ้นเคยอยู่ได้เราอย่าลืมสวดกันบ้างวันนี้เทศอะไรพี่ลึกนำมัส ก, การ์ค่ะโยมปฏิบัติเมื่อวานนี้คือดูกายแต่ดูแบบเบาๆแล้วก็ดูรวมๆนะคะก็ รู้สึกว่าดีขึ้นดีกว่าเมาื่อวานนะเมื่อวานยังจงใจอยู่วันนี้ลดความจงใจลงเกือบหมดแล้วเหลือเหลือไม่ถึง10บนะ<ห>อร์เนตยังเหลืออยู่ปฏิบัติต่อทําอย่างนี้แหละที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วใจเราต้องถอดถอนออกมาอย่าถลําเข้าไปคลุกพวกภาวนาจํำนวนมากเลยยังไม่ชีแต่ก่อนนี้ภาวนาลดถลําลงไปเวลาดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้า เวลารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมขยับไม้ขยับมือจิตไปอยู่ที่มือบางคนจะแปลงฟันนะแปลงจิตไปจ่อไว้ที่แปลงสีิฟันเคยมีคนนึงเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกเพื่อนกันแปลงฟันกินข้าวเช้าก็แปลงฟันนะจนกินข้าวเที่ยงไม่ทันก็แปลงฟันยังไม่เสร็จนะจะแปลงไปเลยแปลงสติแตกสู้ไม่ไหวเครียดดนะะนั้นเราไม่ใช่ภาวนาเราเป็นจ้องไว้ พอนานนะั้นทำตัวเป็นแค่คนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองดูสบายๆดูกายอย่างสบายใจดูจิตใจมันทำงานไปอย่างสบายใจความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างสบายใจอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวสบายๆอาการประคองยังเหลืออยู่ไหมคะ่ะเหลืออยู่เหลืออยู่มันถึงนิ่งๆอยู่นิดนึงแต่นิดเดียวนะเหลือไม่ถึงิเอร์ซใช้ได้นคุณอภิชา งมาได้วันนี้ภาวนาดีเลยทำอย่างเดิมนี้เองนะคือตั้งแต่ต้นสายจนปลายทางเนี่ยมีแต่ ก, การมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเท่านั้นทนะี่ฝึกอยู่ดีนะฝึกอยู่ดีใช้ได้เลยล่ะนะใช้ได้นะภาวนาดีอ่ะเชิญตอ เมื่อเช้ามันช่วงนี้มันขยันเดินอะค่ะตอนเช้าเดินก็ยังปุ่งโปร่งอยู่อะค่ะเดินไปเดินมาชักมันนิ่งนิ่งนิ่งขึ้นอะคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันชักมันชักจะเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยตั้งใจเกินไปอะค่ะก็เลยไปไปเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นไปช่วยเขาแกะอาหารอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกมันก็เบาขึ้นใช่หา ง, งานทํานะอยู่อยู่นิ่งเวลาภาวนาออบางคนหมกมุ่นมากเกินไปไม่ดีเวลาหมกมุ่นมากมนะแล้วทําผิดนี่นะจะถลําลงไปเลย นั้นต้องเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเป็นช่วงช่วงอย่างเราอยู่วัดนะแม่ชีเรามีข้อวัดใช่ไหมถึงเวลานี้ต้องไปลดต้นไม้ถึงเวลานี้ไปกวาดวัดถึงเวลานี้ไปล้างจานล้างซ่ม่มสิ่งเหล่านี้ดีทั้งหมดเลยมันไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัตินะมันทำให้เราได้เปลี่ยนอิริยาบถได้เปลี่ยนความรู้สึกใจเวลาภาวนาจะได้ไม่หมกมุ่น ดั้เราภาวนาแล้วเราก็เคลื่อนไหวทำงานไปกระดุกกระดิกไปบางสำนักนะให้ทำงานทั้งวันเลยหรือบางสำนักให้เดินทั้งวันเดินทั้งวันเดินทั้งคืนเดินอยู่นั่นแหละถ้าขาปเป็นเหล็กเนี่ยขาต้องสั้นลงไปแล้วสึกนี่เนื้อแข็งกว่าเหล็กนะเหล็กยังสึกเลยเนื้อเนื้อยิ่งหนาขึ้นหนังหนาขึ้นเรื่อยๆให้ฝึกอี่ยไปบังคับมันกระดุกกระดิกไวันนี้รู้สึก พอมาฟังหลวงพ่อแล้วมันนิ่งนิ่งนิ่ ง, ง, งลงไปอะค่ะเดี๋ยวไปกดมันมันกดเพราะว่ามันนิ่งเพราะกดเอานะของเพชรก็ห่างวัดไปนานค่ะหลวงพ่อเมื่อเช้ามันจะพ อ, ะอละแปดโมงเชิญไปทานข้าว <laughs> น, นี่แปดปฏิเป้เลยนี่มนครับนี่มน